ธรรมของสมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้าเขาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการฟังเบื้องต้นเนี่ยนะฟังให้จิตนี้เบาให้จิตนี้อ่อนให้จิตนี้ควรแก่การงานก่อนเปรียบประดุดเหมือนว่าถ้าได้ผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาเป็นผ้าที่เปือ้อนขมเหลเป็นผ้าที่ผ้าเปื้อนมาเนี่ยนะผ้าสกปรกช่างย้อมผู้ฉลาดเขาทํายังไง ช่างย้อมผู้ฉลาดก็ต้องมีการมาซักมีการมาฟอกก่อนนะเมื่อซักฟอกจนผ้านี้เป็นผ้าที่อ่อนเป็นผ้าที่สะอาดช่างย้อมผู้ฉลาดจึงได้ย้อมลงไปสมัยพุทธกาลก็เป็นเช่นนั้นเมื่อจิตของบุคคลทั้งหลายมีความเศร้าหมองพระผู้มีพระภาคก็แสดงธรรมให้จิตของเขานี้ผ่องใสขึ้นนะด้วยการแสดงทานแสดงศีล หรือบางทีก็แสดงชาดกต่างๆนี่ะให้จิตของเขาเนี่ยเบาให้จิตนี้อ่อนให้จิตนี่ปราศจากความเศร้าหมองเป็นจิตที่ไม่ถูกนิวรณ์กลุ่มรมเมื่อจิตไม่ถูกนิวรณ์กลุ่มรมเป็นจิตเบาอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็จะประกาศอริยสัจในตอนท้ายการประกาศอริยสัจเนี่ยเหมือนการยอมนี่นะเหมือนการยอมก็กลายเป็นได้ภาที่มีสีที่บริสุทธ พระ อ, องค์ก็ย้อมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เรียกว่าย้อมอริยมรรคให้เกิดขึ้นในใจของเขาหันใจที่อริยมรรคย้อมเสร็จแล้วก็เป็นผู้ที่ข้ามพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่การแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาคุณคือพระ อ, องค์ทรงรู้จริตรู้นิสยัยรู้อัธยาศัยรู้ความประสงค์รู้ความต้องการเพราะว่าพระ อ, องค์นี้ตรวจดูบุคคล น, นั้นเนี่ย ตรวจดูทั้งอดีตตรวจดูทั้งอนาคตเนี่ยนะตรวจดูอุปนิสัยเขามีวาสนาไหมสั่งสมบูรณ์มาเพียงพอไหมแล้วสภาพจิตของเขาตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเขาควรฟังท ร, รมกกถาเรื่องอะไรแล้วก็ควรฟังถ้อยคําประเภทไหนแล้วพระพุทธเจ้านี่เวลาแสดงธรรมเนี่ยพระองค์มีบุญว่าคนฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์เนี่ยจะฟังเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุด แปลโดยธรรมชาติแปลโดยธรรมชาติที่ที่เป็นภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุดอันนั้นเป็นเป็นพุทธานุภาพเป็นบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสมมาตลอดเสียสงไข่แสนกับเพื่อจะสงเคราะห์เหล่าสัตว์ทั้งหลายทีนี้ขณะเดียวกันเหล่าสัตว์นั้นนะเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเพราะเขาสั่งสมบุญมาเขาจึงได้เกิดทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ฟังพระสุรเสียงที่ประกอบไปด้วยองแปด มีมหากิริยาจิตที่มีสัพพัญญุตยานเป็นต้นเนี่ยเป็นสมุทฐานทำให้ได้เกิดการฟังธรรมพันการฟังธรรมของคนสมัยนั้นเนี่ยจึงจึงได้รับผลอย่างเต็มที่ซึ่งจะต่างจากในยุคนี้ในยุคนี้นั้นถ้ามองตามสภาพที่เป็นจริงก็คือมาสั่งสมบุญเท่านั้นเนยนะก็ลักษณะสั่งสมบุญสั่งสมวาสนา แต่คำว่าสั่งสมบุญสั่งสมวาสนาเนี่ยนะจะมีต่อเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีใจผ่องใสหมายคําว่าผู้ที่เงียโสดลงตั้งใจฟังเข้าใจเท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละจะเป็นวาสนาต่อไปในอนาคตแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็โทรสะอีต่างหากถ้าอย่างนี้ได้วาสนาไหมตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับคําว่าวาสนาแปลว่า ต่อต้านตลอดไปนะเขาเขาก็แปลกนะบางคนเนี่ยไม่รู้ทําอะไรมาไม่ทราบอย่างเช่นเขา ว, าวันไหนที่คนนี้มานะจะต้องมีแต่เรื่องยากอย่างเดียวเรื่องที่เขาฟังไม่รู้เรื่องตลอดงานเลยว่างั้นแต่แต่ถ้าวันไหนเขาไม่มานะจะเป็นเรื่องที่เขาฟังเข้าใจอย่างเนี้ยจะเป็นอย่างไงในที่สุดเลิกฟังทำเลยนะในที่สุดก็ไม่เอาละไม่เอาละอันนัสายหัวตลอดไปน่ะมันเป็นวิบากเของบางคนจริงๆรนะ เที่ยวมาฟังอยู่ตั้งหลายครั้งอะนะแต่ว่ามาวันไหนจะเป็นเรื่องยากตลอดถ้าไม่มาก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาฟังรู้เรื่องเลยนะจนได้เลิกจริงๆเลยทํากรรมอะไรมาทีนี้ก็เสียดายนะถ้าเขาเกิดทันพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกทาบุญมาน้อยน้อเรื่องเนาะถ้าทําบุญมาพอนี่ก็หเกิดทันได้ล่ละ พระธรรมเนี่ยนะตัวคําสอนก็ยังอยู่คงเดิมแต่ว่าผู้แสดงก็ไม่ได้มีบุญเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้รู้เจริญรู้อัธยาศัยบางอย่างก็พูดด้วยความเข้าใจบางอย่างก็ยังเอ๊ะผูพ้พูดเองก็ไม่เข้าใจเต็มร้อยอะไรเนี่ยนะนะก็ถ้าผู้พูดเข้าใจเต็มร้อยก็ต้องอย่างถ้าแสดงปฏิสามพิธามมรต ก, ก็ต้องเข้าใจเท่าภาษารีบุตรแต่นี้เราก็ไม่ใช่พระสูตรทั้งหลายถ้าจะแสดงให้ได้ดีจริงๆก็ต้องมีความเข้าใจเท่ากับพระพุทธเจ้า เราไม่ได้มีบุญขนาดนั้นเมื่อไม่มีบุญขนาดนั้นเราก็อย่างนี้ก็คงรับตามสภาพเนี่ยนะตามยุคตามสมัยตามกาลละแต่อย่างไรยังไงก็ตามเขาข อ, ขอการฟังการศึกษาการเรียนรู้เหล่านี้เพื่อจะได้เป็นวาสนาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการสั่งสมที่เป็นไปเพื่อต่อไปจะได้ฟังและเข้าใจมากกว่านี้พบนี้ฟังแล้วก็เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือแม้กระทั่งพบต่ อ, ตอไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลก ได้ยินได้ฟังก็เป็นเหตุใกล้ให้ตรัสรู้ได้เร็วตรัสรู้ได้ได้ไวเนี่ยนะเข้าเฝ้าครั้งเดียวก็ตรัสรู้เลยเป็นต้นน่ยนะก็หวังว่าคงสะสมอัธยาศัยกันมาอย่างนั้นนี้ย้อนมาในปฏิสัมพิธามข้อหกสิบหกต่อว่าที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนี่ควรละสิ่งทั้งปวงควรละดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงควรละคืออะไร อันนั้นจักสูสุควรละรูปควรละจักสุวิญญาณควรละจกักรูสุสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากรูสุสัมผัสเป็นตัดใจควรละเนี่ยนะคำว่าละในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าตัดฉันทราคะละอาลัยละความเยื่อใยในจักสุเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือควรตัดความเยื่อใยในจักสุเสถิดควรตัดความเยื่อใยในรูปตัดความเยื่อใยในจักขูวิญญาณตัดความยื่อใยในจักขู่สัมผัสตัดความยื่อใยในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีจักรขู่สัมผัสเป็นปัจจัยเพราะตัดในที่นี้หมายถึงตัดฉันทราคะตัดเยื่อใหญ่คําว่าละนะละละฉันทราคะละความอาลัยอาวรณ์ละความเยื่อใย นี่ถามว่าถึงละหรือไม่ละเนี่ยนะมันยังไงก็ต้องจากตาไปใช่ไหมต้องจากไหมจะต้องอยู่กับตาคู่นี้ตลอดไปไหมเอาไม้ชาติหน้าก็ใช้คู่นี้ตามเดิมเหรอไม่เอาอีกนะน่าจะเอานัทถนอมจนดูแลเอ า, เอ า, เอาใจยังมากเลยนะทั้นตาเหล่านี้เนี่ยยังไงก็ต้องละแต่ว่าละแบบคนตัดฉันนราคาเสร็จกับตายไปกับตาที่ยังเยื่อใยเต็มที่เลยไหนจะดีกว่ากันเนี่ยนะ คือคนที่พิจารณาจนสามารถตัดฉันราคะกับไม่พิจารณาเลยเนะติดใจสยบหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนี้ตลอดไปเนี่ยนะท่านบอกว่าไม่ดีเลยคนที่มีตาเนี่ยนะแลวติดอะไรเยื่อใยในตาเนี่ยนะถึงมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ได้คนที่มีชีวิตอยู่แค่วันเดียวแต่ตัดอะไรเยื่อใยในตาได้ชีวิตอยู่วันเดียวนี่ประเสริฐกว่า ชีวิตร้อยปีของผู้ที่ไม่ผู้ที่สยบหมกมุ่นเนี่ยนะไม่ไม่ตัดอะไรไม่ตัดเยื่อใหยในตาเพราะผู้ที่ตัดฉันทะราคะละอะไรเยื่อใยในตาได้เนี่ย น, นะก็ทิ้งตาเหล่านี้ก็ไม่ถือตาอันใหม่อีกใช่ไหมทิ้งรูปนี้ก็ไม่ถือเอารูปอันใหม่ทิ้งจกักรวิญญาณเหล่านี้ก็ไม่ถือเอาจักรวิญญาณอันใหม่ทิ้งภาษาเวทนาเหล่านี้ก็ไม่ถือเอาภาษาเวทนาเป็นต้นใหม่ๆ พันพงศ์จึงบอกว่าหูควรละ เ, เ, เสียงควรละโสตวิญญาณควรละโสตสัมผัสควรละแหน่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาที่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละจมูกควรละกลิ่นควรละคานาวิญญาณควรละคานะสัมผัสควรละ แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละลิ้นควรละรสควรละชิวหาวิญญาณควรละชิวหาสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละกายควรละโพธะพระควรละ กายวิญญาณควรละกายสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละมโนควรละธรรมรมณ์ควรละมโนวิญญาณควรละมโนสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่มีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละเพราะผู้ที่ละละหมายถึงละฉันทราคะตัดอะไรตัดความเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเป็นเหตุให้ประสบแต่ความสุขแต่ถ้ายังตัดไม่ได้นั่นเป็นเหตุแห่งแห่งทุกข์เพราะฉันทราคะความอะไรความเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่นาไปสู่พบใหม่เห็นไ เพราะฉันราคะเหล่านี้เป็นตัวที่ฉุดให้ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาดนรกแต่ภารกิจตรงๆของเยื่อใยคือการเพราะปลูกขึ้นในวัตตะเนี่ยนะคือหน้าที่ของตัรหาทั้งหลายเนี่ยทําให้เพาะในวัตฏะขึ้นแต่ว่าเกิดหน้าที่ใดก็ตามสมควรแก่แก่กรรมสุดแท้แต่กรรมว่ากรรมจะนําเกิดนะที่ใดแต่ตันหานี้ภารกิจคือนําเกิดในพบใหม่ อันถ้าตัดตันหาได้แล้วก็ไม่นำเกิดในภพใหม่ดังนั้นผู้ที่ไม่ตัดฉันธราคะหรือไม่ละอะไรอาวรนในสิ่งเหล่านี้เขาก็จะประสบทุกข์ตลอดกาลนานแต่ผู้ที่ละตัดอะไรตัดเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้ได้จะประสบสุขซึ่งกาลนานคล้ายๆในหน้าตมหาตุกะสูดใช่ไหมที่พระองค์ตรัสว่าจักขู่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักขู่นั่นเสีย จากขานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขนะนะซึ่งท่านละได้อย่างนั้นจริงๆก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกลูลเพื่อความสุขเนี่ยนะคิดง่ายๆอย่างอะไรก็ตามเนี่ยนะที่เราไม่มีอะไรไม่มีความยือใหญ่นะถึงสิ่งนั้นจะเสียหายไปปานใดเราก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยถ้าถ้าไม่มีฉันทราคะในสิ่งนั้นนะอย่างตอนนี้เนี่ย คนเนี่ยตายทุกวินาทีจะมากจริงไหมพูดมาในโลกเนี่ยนะคนตายทุกวินาทีบางวินาทีตายตั้งหลายคนแต่ทําไมเราไม่เห็นมานั่งร้องไห้ยอยู่เลยก็เพราะไม่ใช่ของเราใช่ไหม <laughs> เพราะเราไม่มีเยื่อใยในสิ่งเหล่านั้นเลยความที่เราไม่มีเยื่อใยในสิ่งเหล่านั้นอย่างรถตอนนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุนี่ใช่น้อยคันแต่ทําไมเราไม่เสียใจเลยก็ไม่ใช่ของเรา <laughs> อีกนั่นแหละเห็นไหม เรื่องอ่ะนะอย่างสัพท์ที่เสียหายได้รับความยากความลําบากก็เยอะแยะทั้งหมดคนก็ป่วยเยอะนะแต่ทําไมเราไม่ไปเสียใจก็ไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่ของของเราอ่ะนะเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราตัดใจได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีความสุขสักขนาดไหนถ้าเรามาคิดดูนะว่าถ้าตัดอะไรตัดเยื่อใยตัดฉันธราคาตัดปัญหาในสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องเป็นสุขเป็นแน่ ก็ต้องให้มีความสำคัญไว้เลยว่าหรือมีความเข้าใจติดอุปนิสัยไว้เลยว่าตัดเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ได้ก็จะปลูกฝังอุปนิสยัยปลูกฝังอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการตัดฉันทราคะหรือน้อมไปเพื่อการละสิ่งเหล่านี้ซึ่งปกติคำว่าละเนี่ยนะจากขู่ควรละละด้วยหนึ่งแต่ทางข้าประหารสอง วิขำพนาประหารสามสมุเฉทประหารสี่ปฏิปสัสสติประหารเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายละด้วยนิสรณประหารนะเนี่ยนะถ้าดูตามอภินญยธรรมเนี่ยจกักขูรูปจกักขูวิญ ญ, ญาณทัสสะเวทนาควรรู้ยิ่งปริ ญ, ญัยธรรมบอกว่าจากักขูรูปจกักขูวิญ ญ, ญาณทัสสะเวทนาควรกําหนดรู้พอมา ปหาตปะธรรมเนี่ยนะจากครูรูปจากครูวิญญาณภาษาเวทนาเป็นธรรมที่ควรละคือควรตัดฉันทราคะซะแต่ถ้าตัดฉันทราคาไม่ได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราไม่ละแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ละเรานะใช่ไหมตานี่จะอยู่กับอย่างเนี้ยตลอดไปไหมก็วันนี้ก็ใสกว่าวันวันข้างหน้าว่า ง, งั้นเถอะตาวันนี้ก็เป็นตาที่ยังหนุ่มสาวกว่าวันข้างหน้าต่อตอไปเดี๋ยวก็เสียหายกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ละเขาก็ต้องละเราแต่ยังไงเขาละเราอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ดูซิว่าเราจะละฉันทราคะตัดอะไรเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้สําเร็จไหมถ้าละได้เป็นสุขถ้าละไม่ได้เป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะถ้าละได้เป็นสุขถ้าละไม่ได้เอ่อถ้าละได้เป็นสุขถ้าละไม่ได้เป็นทุกข์สามัญจะสานึกอันนี้ต้องมีไว้ในใจเสมอถึงยังละได้ยังละไม่ได้ก็ช่างเถอะ แต่ให้มีความเข้าใจไว้เถอะว่าการละได้เป็นสุขถ้าละไม่ได้เป็นทุกข์แล้วใจก็ตั้งอุปนิสยัยตั้งอัธยาสัยเพื่อการละถึงอย่างนี้ตอนนี้ยังตัดไม่ได้แต่สักวันหนึ่งเถอะจะต้องตัดให้ได้เจริญกุศลใดๆก็น้อมไปเพื่อตัดฉันทราคะในจากสุขเป็นต้นการที่น้อมไปเพื่อตัดฉันทราคะในจากสุขนั่นแหละที่เรียกว่าน้อมไปเพื่อพันิพาน น้อมไปเพื่อการรู้ยิ่งน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ทำไมทาไมจักสุจึงควรละก็เพราะจากักขูไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าทมทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นทมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นอย่างเช่นจักสุรูปจกักขูวิญญาณผัสสะเวทนาไม่ควรยึดมั่น จริงๆที่เราไม่ละจากสูสเนี่ยนะเพราะเรามั่นใจในจากสู่เป็นต้นว่าจากสโสนี้ต้องยั่งยืนใช้งานอีกนานเห็นไหมใช่ไหมมั่นใจว่าจากสโสนี่ยังใช้นานอีกนานจากสโสนี้ให้ความสุขมากเพราะมีตาและจะได้ดูจะได้ดูภาพต่างๆจะได้เห็นสีต่างๆจะได้เห็นรับอารมณ์ที่น่าชื่นใจต่างๆนะแล้วตาเนี่ยนะ คิดดูนะจะหลับตาจะลืมตาก็ง่ายไปหมดเลยเรามีอํานาจเก่งมากจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ใช่ไหมมีอํานาจมากขนาดนั้นเลยนะจะหันซ้ายหันขวาก็เห็นตาเรานี่ดีดีะนะยังไม่ตัดแว่นนี้เลยยังต้องเปลี่ยนแว่นนี้เนละแล้วก็แต่เอาเถอะถึงจะยึดอย่างไรก็ช่างเถอะตาก็ไม่เป็นไปอย่างที่ยึดถือหรอก ถึงจะยึดถือว่าตาเที่ยงตาก็ kiem? ไม่เที่ยงอย่างที่ยึดจะยึดว่าเป็นสุกตาก็ไม่ได้สุขจริงๆอย่างที่ยึดจะยึดว่าตานี่เป็นอัตตาว่าตัวเองมีอำนาจจริงๆในตาตาก็ไม่ได้เป็นไปในอำนาจดังที่กล่าวเลยเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อตัวเขาเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาควรหรือที่จะยึดถือเอาไว้ราน ين, จึงเป็นสิ่งที่ควรละอย่างแท้จริง